มงคลชีวิตมงคลที่22ความเคารพคาระวะจะเอตัมมังคลมุตตมังความเป็นผู้หนัก ผู้ให้ความสำคัญในบุคคลวัตถุสถานที่มารยาทและความดีงามชื่อว่าความเคารพบุคคลที่ควรเคารพ 1. พระพุทธเจ้าหรือสิ่งที่เกี่ยวเนื่องเช่นพระพุทธรูปต้นโพหรือพุทธสถูปต่างๆ 2. พระธรรมคำสั่งสอนที่ตรัสไว้ดีแล้วว่าเป็นธรรมนำออกจากทุกได้จริง 3. พระสงฆ์ผู้หมดจดด้วยศีลและทิฏฐิเป็นเนื้อนาบุญแก่ชาวโลก 4. พระราชามหากริยัผู้เป็นที่พึ่งของประช า, าชนห้ 5. มารดาบิดาครูอาจารย์ พี่ชายและพี่สาวเป็นต้นทมที่ควรเคารพ 1. ความไม่ประมาทเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของความสุขทั้งปวง 2. ตนเองโดยการไม่ทำความชั่วหรือทุจริตอันทำให้เดือดร้อน 3. ปูชนียสถานปูชนียวัตถุและอนุสาวรีย์ต่างๆที่ผู้คนเคารพเชื่อถือ 4. กฎหมายหรือจารีตประเพณีหรือระเบียบปฏิบัติเพื่อความพาสุขของสังคม 5. ผู้ใหญ่ควรเคารพผู้น้อยด้วยการมีเมตตาทางกายวาจาใจ ทั้งต่อหน้าและรับหลังความเคารพจัดเป็นมงคลเพราะ 1. มีสุขคติเป็นที่ไป 2. จิตเป็นกุศลเนืองเนือง 3. ย่อมาามีกัลยาณมิตรเป็นสหาย 4. เป็นไปเพื่อความเจริญอย่างเดียว ทำให้เป็นที่รักที่พอใจของบุคคลทั้งหลาย